สิกขาบทที่8ภิกษุณีบวชให้สหชีวินีแล้วไม่อนุเคราะห์ไม่ให้อนุเคราะห์ตลอดสองปีต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตี